บำเพ็ญเพียรทำทุกรกิริยาหรือว่าในการแสดงประกาศพระธรรมความแตกต่างกันในด้านการที่มีผู้มาตรัสรุธรรมจากพระพุทธเจ้าแต่ละองค์แล้วก็ในแต่ละอสงไขยแล้วก็แต่ละกลับเนี่ยนะเหตุการณ์มีอะไรบ้างซึ่งถ้าหากว่าผู้ที่ไม่ได้ศึกษาพุทโธนั้นคำพูดที่ถือพูดถึงอดีตก็เป็นสิ่งที่ยิ่งว่าตกลงไปในหลุมมืด จะนึกอดีตอะไรไม่ได้เลยแต่ถ้าเกิด yeah. จากการศึกษาพุทธวงศ์เนี่ยนะทำให้เรารู้จักและเลืกว่าเมื่ออดีตที่ผ่านมาอดีต1กับ2กับหรืออดีต30มสิบกว่ากับหรืออดีต90กว่ากับหรืออดีต 1,800 กับหรืออดีต 3,000 0ืกับหรืออดีตเมื่อเกเมื่อแสนกับหรืออดีตเมื่ออสงไขยแสนกับ หรืออดีตเมื่อสองอสงไขแสนกับหรืออดีตเมื่อสามอสงไขแสนกับอดีตสี่อสงไขแสนกับอย่างน้อยก็สามารถที่จะระลึกถึงเหตุการณ์ในอดีตนะเหตุการณ์ในอดีตหรือว่าเราศึกษาพุทธประวัติเนี่ยนะในของพระพุทธเจ้าของเราพระองค์นี้เราก็ยังพอได้ระลึกว่าเออเมื่ออดีตสองพกว่าปีมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะเมื่อสองพร่วม600ปีที่แล้วมีเหตุการณ์เหล่าใดบ้าง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 ไม่ทาราบกลัอะไรเรามาพบพระพุทธศาสนาถ้าเราไม่ได้บุญกุศลก็ยิ่งกว่าไม่ได้หายใจอีกพราะเราได้รับอริยทรัพย์ได้รับมรดกอะไรจากพระพุทธเจ้าไปบ้างจากวันเวลาที่สูญเสียไปเมื่อกี้ก็นั่งนึกเออเนี่ยเราก็มาที่นี่นานเหมือนกันนะเนี่ยจะครบรอบสองปีเลยไม่นานเนี่ยก็แป๊บๆเดี๋ยวก็ตายจากกันไปเขาไม่ตายก่อนเราก็ตายก่อน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 บุญกุศลสมถาวิปั ส, สนาที่เกิดจากการพิจารณาขันท่าสิ่งเหล่านี้เป็นควรจะเป็นอริยทรัพย์ติดตามตัวต่อไปในวงของพระพุทธเจ้าอัฏฐธาศสีที่ส4สเนี่ยนะคือในกลับเดียวกันเนี่ยนะเมื่อหนึ่งแกลับที่แล้วนับจากกลับนี้ถอยลองลงไปเนี่ยนะกลับนั้นเชื่อว่าวรกลับแต่ในบาลีใช้ศัพท์ว่ามันดกลับ นะซึ่งมีความหมายว่าวรกับวรกับนั้นแปลว่ากับที่มีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นสพระองค์กับที่มีพระพุทธเจ้าสมองค์องค์ที่หนึ่งก็คือพระพุทธเจ้าปิยะทะัศีองค์ที่สองอัฏทะัศนีองค์ที่สามธรรมะทะัศศีเนี่ยนะปิยอัฏ ธ, ธรรมะนี่นะสามคเมื่อพระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้า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 สมัยนี้ก็เริ่มเด็กประถมก็เริ่มแล้วต่อไปก็อายุจะไม่ค่อยยืนสักเท่าไหร่เพราะอนาคตโดยองค์รวมของโลกแล้วสู่ยุคเลวสามปานติบาศก็แพร่หลายอธินนาธานก็แพร่หลายการเมสุมิชฌาจารก็แพร่หลายมุสาวาก็แพร่หลายสุรามีไรก็แพร่หลายอกุศลกรรมบดก็แพร่หลายเพราะฉะนนั้อายุไขก็จะลดลงไปเนี่ยนะฝนฟ้าเป็นต้นก็ไม่ตกต้องตาม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 ปางน า, าตีบาดมามากจิตใจก็น้อมไปเพื่อปางนาติบาตรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับอธินาทานมามากตัวเองก็น้อมไปทําอธินาทานรับรู้ข้อมูลกาเมมากก็น้อมไปเพื่อกาเมสุมิชฌาจานานะรับรู้ข้อมูลในการพูดเทศหรื อ, อการดื่มสุราและเมรยัยยางสมัยใหม่เขาออกมาว่าสุรานั้นควรจะโฆษณาเมื่อไร่เพราะว่าเด็กวัยรุ่นนั้นถือถึอแรงยุจากการโฆษณาดื่มสุราเนี่ยและแม้กระทั่งพวกบุหรี่เป็นต้น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 จนถึงขีดสุดๆนั่นแหละก็แล้วค่อยๆเริ่มต้นขึ้นมาใหม่นับขึ้นมาใหม่อายุไขก็เป็นไปในทางที่ดีขึ้นเมื่อมนุษย์ทั้งหลายตั้งอยู่ในศีลตั้งอยู่ในธรรมเมื่อตั้งอยู่ในศีลในธรรมอายุก็มากขึ้นเนี่ยนะสังคมก็สงบร่มเย็นมากขึ้นโลกก็มีความสงบร่มเย็นมากขึ้นทุกคนยิ่งมีศีลมีธรรมเท่าใดพ่อแม่มีอายุน้อยแต่ลูกก็มีอายุมากขึ้นเนี่ยนะโลกก็มีอายุมากขึ้นรุ่นลูกรุ่นล้านก็อายุมากขึ้น เป็นเท่าตัวของพ่อของแม่อายุก็พัฒนาเพิ่มขึ้นไปจนถึงโน่นอ่ะอสงไขปีแล้วค่อยลดลงมาลดลงมาจนถึงในยุคศาสนาของพระพุทธเจ้าพระนามว่าอัทธทัศ น, น์ีนะพระองค์ก็เกิดขึ้นในโลกเป็นพระพุทธเจ้าผู้มียศยิ่งใหญ่พระองค์กําจัดความมืดใหญ่คืออวิชชาบรรลุพระสัมโพธิญาณอันอุดมกรกว่าแยกระหว่างหัว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 หลังจากที่พระองค์ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วสัปดาห์ที่8ดเทา้ามหาพรมอาราธนาเนี่นะอาราธนาให้แสดงธรรมพระองค์ก็ประกาศาพระธรรมจักรยังหมื่นโลกธาตุนีนะโลกธาตุพร้อมทั้งเทวโลกให้อิ่มด้วยอมตะธรรมให้อิ่มด้วยธรรมที่ไม่ตายนะให้อิ่มด้วยธรรมที่ปราศจากความตายพ้นจากความตายให้อิ่มในธรรมที่พ้นจากความแก่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 ให้พ้นจากวิญญาณให้พ้นจากสังขารและให้พ้นจากอาวิชชานั่นเองอันพระองค์ก็แสดงธรรมเพื่อให้ตรัสรู้นิโรธสั จ, จด้วยอริยมรรคอย่างที่กล่าวว่าข้อความในพุทธวงศ์นั้นเนื้อหาอสรุปสรุปหลักๆใหญ่ๆมีอยู่2 อ, อย่างคือเอ่อขอไป3อย่างอย่างที่1ก็คือเกี่ยวกับว่าพระพุทธเจ้าสอนให้สัรพสัตตรัสรู้ครั้งใหญ่ๆมีอยู่กี่ครั้งแต่ละครั้งปริมาณผู้ตรัสรู้เท่าไหร่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 ส่วนครั้งที่2พระอัฏฐทศัศสีผู้ท่เจ้าเสด็จจาริกไปในเทวโลกคือสวรรค์เพื่อแสดงพระพิธรรมนั้นมีผู้ตรัสรู้ประมาณแสนโกดครั้งที่สพระองค์แสดงธรรมในสำนักพระพุทธบิดาก็มีการตรัสรู้ประมาณแสนโกดนะการตรัสรู้ครั้งใหญ่ๆ3าครั้งครั้งละแสนโกดเนี่ยนะสแสนโกดเลยใช่ไหมมันน่าจะมีลุงเรืองอยู่ในนั้นบ้างเนาะแต่ถ้ามีลุงเรืองก็ไม่ได้มาฟังธรรมนี่ลงเรืองเนาะ พระอัฏฐทศิษีพุทธเจ้าผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่พระองค์นั้นมีสันนิบาตการประชุมพระอรหันตสาวกผู้ไร้มนทิน ปราศจากมนทินคือราคะมนทินคือโทสะมนทินคือโมหะมีจิตสงบตั้งมั่นปราศจากนิวรณ์ด้วยอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิเป็นผู้คงที่ในอิทธารมและอนิธารมรมทั้งอารมณ์ที่น่าปรารถนาและไม่น่าปรารถนาพรองมีจิตใจที่มั่นคงประชุมอรหรันตสาวกนั้นสามครั้งครั้งแรกมีผ่าหันมาประชุมร่วมกันประมาณ อันน่้านดพันครั้งที่สองพารหานตะสาวกมาประชุมแปด0มื่นแดันครั้งที่สามนะพระสาวกผู้หลุดพ้นเพราะไม่ยึดมั่นไร้หมนทินผู้สแสวงหาคุณอันใหญ่นะร่วมการประชุมฟังโอวาสปาติโม 7, 000, 000. นะกเจ็ด0มื่นเจ็ดพันะก็เก้า0มื่นแปดพันแปดหมื่นแปดพันเจดมื่นแดพันนี่ยนะเจ็ดมื่นเจ็ดพันก็ถือว่าเยอะเนี่ยนะ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 แต่ไม่พบพระพุทธเจ้าก็ลองผิดลองถูกก็สแสวงหาคนบอกแนะนำไปเรื่อยแต่ถ้าเมื่อใดที่พบแสงสว่างที่ยิ่งใหญ่คือพระพุทธเจ้าก็จะได้บำเพ็ญบารมีมากกว่าเก่าอีกมากมายเยนะอย่างพระโพธิสัตว์นั้นเมื่อพระพุทธเจ้าองค์ที่หนึ่งผ่านไปซึ่งชาตินั้นพระองค์ก็เป็นพรามสร้างวัดเป็นต้นเป็นพุทธบูชาพอมาถึงพระพุทธเจ้าอัต ถ, ถสีในชาตินั้นพระโพธิสัตว์ของเราเป็นชดินผู้มีตะบะสูง โดยมีชื่อว่าสุสิมะเนี่ยนะสสมะหรือสีอันแผ่นดินคือโลกสมมุติกันว่าเป็นผู้ประเสริฐสื่อสัตว์โลกทั้งหมดยกย่องว่าเขาเป็นคนดีคนเก่งคนที่มีความสามารถผู้ที่มีฤทธิ์มีเดชมียเพีย ญ, ญาเหาะได้แล้วแหละพระโพธิสัตว์นั้นได้ไปนำดอกไม้ทิพย์คือดอกมณฑารบดอกประทุมและดอกปริชัตตะมาจากเทวโลกบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจา้าเนี่ยนะก็คัดสรรหาดอกไม้ ที่คิดว่าเป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมใสดอกไม้เหล่านั้นมาบูชาพระพุทธเจ้าเนี่ยนะดอกมณฑารพนั้นเป็นดอกที่มีในสวรรค์ดอกปทุมก็ดอกบัวสวรรค์แล้วก็ปริชัดตะกะกก็คือต้นดอกทองลางเนี่ยนะมาบูชาพระพุทธเจ้าพระมหามมนีอัฏฐทศีพุทธเจ้าพระองค์นั้นก็สรงพยากรคือคำว่าบูชาด้วยดอกไม้เหล่านี้นพระโพธิสัตว์ไม่ใช่บูชาดอกเดียว บูชาด้วยฝนดอกบัวอยังไงนะบูชาเป็นคล้ายเป็นฝนเลยนะไม่รูวมม้ว่มันนว่ากี่ล้านดอกเนี่ยนะก็คือเพราะว่าใช้ดอกไม้สวรรค์บูชาเนี่ยนะมันดูชาอย่างมากมายเพราะาเหตุการณ์ที่พระโพธิสัตว์ได้บูชานนั้นเป็นเหตุการณ์ที่น่าอาัศจรรย์พระพุทธเจ้าก็ตรวจดูอนาคาตังสยานพิจารณาเห็นแล้วว่าผู้นี้ จะเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตเพราะฉะนั้นพระมหามุนีอัฏฐาทศีก็พยากรณ์พระโพธิสัตว์ว่าล่วงไปอีก 1,800 กับหปรือสฤาษีผู้มีตบะสูงเอาดอกไม้มาทำบูชาในครั้งนี้จะเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตนะซึ่งพระตถาคตก็ออกมหาพิเนศกรมจากกรงกรเบลพัสเนี่ยนะออกมาตั้งตั้งความเพียรธรรมทุกขกิริยา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 นะดูดสารอาหารที่มีอยู่ในร่างกายเนื้อก็ค่อยๆไขมันนี่ยุบก่อนใช่ไเมื่อไขมันยุบเนื้อก็เริ่มยุบ เ, เ, เมื่อเนื้อยุบก็พร้อมก็พร้อมลงไปในที่สุดก็พร้อมเรียกว่ารูปหลังถึงท้องรูปท้องถึงหลังเรียกว่าเอวเนี่ยใช้มือกําได้หลืวมั้งแล้วก็น้องๆโครงกระดูกเดินได้นี่แหละพร้อมขนาดนั้นแล้วพร้อมอย่างนั้นก็ไม่ว่าท่านยังกลั้นลมหายใจเข้าอีกนีนะ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 แต่ใจของพระองค์นั้นผ่องสาสใจของพระองค์ก็เลื่อมใสยิ่งทําใจยิ่งเลื่อมใสศรัทธาวิรยิยะสติสมาธิปัญญายิ่งเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเนี่ยนะพราะนพระองค์ก็จะปฏิบัติตามนั้นต่อไปแต่ว่าในที่สุดพระองค์ก็มีปัญญาพิจารณาว่าการปฏิบัติอย่างนั้นเนี่ยไม่สามารถทําให้พระพุทธเป็นตรัสรู้ได้พระองค์ก็หวนระลึกถึงอาณาปานสติที่เคยเจริญเมื่ออายุหกขวบเนี่ยนะ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 แล้วท่านเจริญกุศลได้อย่างเยี่ยมถึงขนาดว่าพยามานเนี่ยติดตามตลอดเลยนะตั้งแต่บอกว่าออกบวชพยามานเนี่ยติดตามตอนเป็นพระโพธิสัตว์6ปีเต็มและตอนที่เป็นพระพุทธเจ้าอีกหนึ่งปีใช้เวลา7ปีในการติดตามพระพุทธเจ้าไม่เห็นความผิดพลาดแม้แต่นิดเดียวซึ่งพยามานก็บอกไว้แล้วว่าถ้าเจอข้อผิดพลาดเขาจะทําลายแน่เนี่ยนะขอคือเรียกว่าหาช่องนะเป็นฝ่ายค้านตามติดตามผลงานทุกประการ ถ้ามีช่องว่าทำลายอย่างเดียวว่างานไร้ความปราณีเขาเรียกว่ามารผู้มีบาปตัวนั้นมารผู้มีบาปไม่ต้องการให้ผู้ใดหลุดพ้นไปจากเส้นทางของตัวเองเนยนะแต่ว่าพญามารก็หาเช่นใดก็ไ ม, ไม่พบไม่พบความผิดพลาดไม่พบทุจริตของพระโพธิสัตว์เมื่อไม่พบทุจริตไม่พบบาปไม่พบความชั่วของพระโพธิสัตว์ทั้งๆ ท, ที่เหมือนว่าจะมีความชั่วให้เห็นแต่ก็ไม่มีความชั่วให้เห็น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 ถ้าจะบูชาพระองค์ก็ต้องบูชาด้วยปัญญา